สิ่งที่ไม่ได้คาดฝันอาจเกิดขึ้นได้เสมอในชีวิตของคนเราแต่จงใจเย็นและมีสติในการแก้ปัญหาด้วยความสุ ข, ขุมรอบคอบวิวัตตา เรื่องธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องของชีวิตซึ่งอยู่ที่ตัวเรานี่เองชีวิตกับธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งที่คู่กันแยกกันไม่ออกถ้าเรารู้ธรรมะเท่ากับเรารู้ชีวิตแต่เราเข้าใจชีวิตเท่ากับเราเข้าใจธรรมะด้วยเพราะว่าชีวิตเนี่ย คือกายกับจิตหรือรูปกับนามที่สมมุติว่าเป็นตัวเรานี่เราคือก้อนของธรรมะละตัวเราเราจะศึกษาธรรมะได้ก็ศึกษาที่ตัวเราบางท่านบอกว่านี่เราจะไปไปฏิบัติธรรมที่ไหนดีวัดนู้นก็ดีสถานที่นี้ก็ดีมีครูบาอาจารย์ มียติธรรมมากมายแล้วก็มีบรรยากาศที่เงียบสงบสงัดวิเวกเหมาะที่จะปฏิบัติธรรมอันนั้นก็ถูกอยู่ตัว่าเป็นสิ่งแวดล้อมของตัวเราก็ว่าได้แต่ที่จริงแล้วเนี่ยเราจะไปปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ต้องไปที่ไหนก็ได้ถ้าเราเลือกไม่ได้นะถ้าเลือกได้เราก็ไปเลือกไม่ได้ก็ที่ตัวเราเนี่แหละ เราจะไปที่ไหนก็ตามเนี่ยก็ต้องมาดูตัวเราสอนธรรมะสอนเลือเกี่ยวกับตัวเราฟังธรรมะก็ฟังเกี่ยวเรื่องตัวเราการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ปฏิบัติอยู่ที่ตัวเราไม่ใช่ปฏิบัติที่ไหนส่วนสถานที่นั้นถือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออํานวยให้เราเข้าใจธรรมะได้ง่าย ตัวเราล่ะคือก้อนธรรมการปฏิบัติตัวเราเนี่ก็ง่ายๆการใช้ชีวิตของเราในแต่ละวันนตั้งแต่เริ่มตื่นเช้ามาเราลืมตาตื่นเราก็อยู่นิ่งไม่ได้แล้วการพลิกตัวตะแคงเพื่อเปลี่ยนอิริยาบถเนี่ย นี่เราเป็นการปฏิบัติธรรมแล้วคือการแก้ทุกข์เพราะเรานี่นอนนานมีการเมื่อยล้าเราต้องเปลี่ยนยาบทไปนอนท่าตะแคงเนี่ยเราเริ่มแก้ทุกละ <c oughs> การที่เราจะต้องบริหารกายหายใจเข้าหายใจออกออกกำลังกายในท่าทางต่างๆนี่ก็เป็นการปฏิบัติธรรม เป็นการบริหารให้ร่างกายแข็งแรงให้ก้อนทำคือรูปปกายเด่นแข็งแรงมีภูมิต้านทานโรคไปไข้เจ็บต่างๆการเข้าห้องน้ําปัสสาวะอุจจา ะ, ะดื่มน้ำํำนี่แหละคือการปฏิบัติธรรมแล้วก็เท่ากับเป็นการปฏิบัติตัวเราบางท่านบอกว่าตื่นมาต้องทําจิตเทศสงบ อันนี้ก็ถูกต้องแล้วจิตที่ฟุ้งซ่านวุ่นวายไปในอารมณ์ต่างๆนะจิตก็ไม่สงบก็เหน็ดเหนื่อยก็เป็นทุกข์การฝึกจิตทำจิตให้สงบด้วยการทำสมาธิก็เป็นการปฏิบัติธรรมทางจิตแต่พอปฏิบัติธรรมทางจิตแล้วจิต ด, ดีกายมันก็ดีไปด้วย กายได้พักผ่อนได้ผ่อนคลายเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยคือการปฏิบัติตัวเราในอิริีาบทต่างการแก้ไขความบกพร่องของร่างกายอันนี้ก็ถูกต้องเพราะฉะนั้นการศึกษาชีวิตศึกษาธรรมะเนี่ยก็ลงมุ่งลงมาที่ตัวเราเนี่ยแหละก็สายกายอาศั ย, ย, ศยจิต รูปนามนมาเป็นตำลาให้ศึกษาแต่ส่วนผู้ศึกษานั้นก็ต้องอาศัยสติถ้าขาดสติเราก็ไม่มีการศึกษาอะไรต้องมีสติสติเป็นผู้ที่รู้เป็นู้ทธ่ศึกษาเป็นู้ทธ่ทำความเข้าใจเราสังเกตดูเถอะกายเราเนี่ย เขแสดงอะไรก็ไม่เราเห็นบ้างการศึกษานี้ง่ายมาเพียงแต่คอยเฝ้าสังเกตดูรู้เห็นเท่านั้นเองกายเราเนี่ยเห็นว่ามีทุกขเวทนาความปวดความเมื่อยความร้อนความหนาวหิวอาการเหล่านี้เป็นอาการของกายที่เราเรียก เป็นภาษาวัทุกขเวทนาซึ่งเป็นเรื่องธรรมดามีกายก็ต้องมีทุกข์ถ้ามีกายย่ามหมายว่าจะไม่มีทุกข์เป็นธรรมชาติของกายก็เป็นอย่างนั้นเองเป็นเรื่องของกายสติเราก็คอยรู้ทันเราจะมาสังเกตดูกายเฉยๆนี่ยังไม่เพียงพอนะเราต้องมีกิจกรรมสักหน่อย คือมีเจตนาเคลื่อนไหวในอิเลียบท่างๆเนี่ยมันจะเห็นได้ง่ายเพราะอะไรเพราะจิตเราจะได้จดจ่อรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ที่กา ย, ยมีอิเลียบท่างๆอิรลยาบทใหญ่น้อยอิเลียบทใหญ่ก็คือนอนนั่งยืนเดินถัวาเป็นอิริยยบทใหญ่เรารู้ได้ง่ายเห็นได้ง่าย คนที่มีร่างกายเป็นปกติเนี่ยก็มีอยู่แล้วใช่ไเราลองมีสติรู้ว่าขณะนี้เราออกลาลังในอิริยาบถใดตัวเราได้สังเกตกายแล้วได้ศึกษากายแล้วนอกจากนั้นเราก็จะมีอิริยาบถย่อยๆของส่วนกาเยเช่นการดื่มการเคี้ยวการงอแขนเหยียดแขน เคลื่อนไหวไปมาเดินหน้าถอยหลังจับชวยวปลองฟันล้างหน้านี่น <c oughs> แหละคืออิเลียบทย่อยที่เราจะมีสติรู้ได้เรามีกายที่เคลื่อนไหวแล้วก็มีสติรู้นี่เราศึกษากายแล้วและได้เห็นทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นที่กาย <c oughs> กายมันบอกความจริงให้เรารู้ อันนี้ก็มีส่วนจิตใจที่เราจะศึกษาได้เช่นความคิดต่างๆชอบใจไม่ชอบใจปรุงแต่งไปในอารมณ์ต่างๆอันนี้เป็นอาการของจิตสุขบ้างทุกบ้างสบายใจไม่สบายใจสงบฟุง้งซ่านอันนี้เป็นเรื่องของจิตเป็นอาการของจิตที่ไม่เราได้ศึกษา ซึ่งมีอยู่แล้วในตัวเราบางทีเราอาจจะมีสติที่ละเอียดสักหน่อยอาจจะไปเห็นจิตล้วนๆที่ไม่มีการปรุงแต่งจิตล้วนๆที่บริสุทธิ์ที่ไม่มีการปรุงแต่งอันนั้นคือตัวจิตแท้ๆ ท, ที่ไหนภาษาธรรมก็เรียกว่าจิตเดิมจิตเดิมนี่คือจิตที่ไม่มีการปรุงแต่งมีแต่ความรู้ตัวรู้บริสุทธิ์ เราเคยเห็นไหมแต่เขามีอยู่แล้วนะถึงไม่เห็นเราก็เขาก็มีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเรายังมีสติที่จะน้อยไปหน่อยความรู้ตัวตั่วพร้อมยังไม่เพียงพอเราจึงไม่เห็นจิตในส่วนนี้แต่ไม่เป็นไรหรอกของที่มีอยู่แล้วเนี่ยเขาย่อมแสดงตัวออกมาได้เร า, าย่อมเห็นได้แต่เราฝึกจากการรู้ที่อาการของจิตซะก่อนแล้วค่อยไปรู้ที่ตัวจิต อาการของจิตก็คือความคิดต่างๆความโลภความโกรธความหลงเนี่ยคืออาการตัวจิตที่แท้คือตัวผู้รู้ผู้รู้ในอาการนี่เราได้ศึกษาจิตแล้วกายเขาบอกความจริงจิตเขาก็บอกความจริงสติเนี่ยคือผู้ที่รู้ความจริงก็คือตัวปัญญานั่นเอง ปัญญาคือรู้ความจริงแต่บางครั้งเราก็ต้องหลงลืมนะเป็นเรื่องธรรมดาหลงลืมไปแล้วขาดสติทำให้ชีวิตเนี่ยผิดพลาดก็ไม่เป็นไรทุกครั้งที่เราผิดพลาดในชีวิตเนี่ยถ้าเรามีสติรู้ได้เนี่ยเรามีโอกาสแก้ไขดีสิกว่ามันผิดไปนานแล้ว ผิดมากมาจนเราไม่รู้ตัวแล้วก็ยังหลงเดินทางผิดอยู่เนี่ยอันนี้สิทว่าทำให้เราเนี่ยจะต้องลําบากเป็นทุกข์มากเพราะเราไม่รู้ทันแล้วเราก็ไม่ได้แก้ไขก็เลยผิดไปตลอดสายผิดไปทั้งชีวิตเนี่ยนี่เราพลาดโอกาสของกาดเกิดมาเป็นมนุษย์แต่ถ้าเราผิดไปแล้วเรารู้ทันได้เนี่ย ต้องขอบคุณในความผิดถือว่าความผิดเป็นครูผิดเป็นครูเพื่ออะไรเพื่อจะได้แก้ไขตัวเองถ้าเราไม่แก้ไขตัวเองเนี่ยถือว่าเราเอาความผิดนั้นเป็นครูไม่ได้ครูเป็นผู้ี่สอนให้เรารู้ว่าอันนี้ผิดอันนี้ถูกแก้ไขเรื่องผิดแล้วก็มาทำเรื่องถูกนี่เพราะฉะนั้น อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นที่กายที่ใจเราเที่เป็นความถูกความผิดเนี่ยเราก็เอามาเป็นครูได้เอามาแก้ไขได้ชีวิตเราที่ผิดพลาดก็ดีหรือมีส่วนที่ไม่ผิดพลาดก็ดีนี่เราเป็นครูสอนเราทั้งนั้นนะถ้าเราไม่มีผิดเลยเนี่ยเราจะรู้จักถูกได้อย่างไรถ้าเราไม่เคยทำผิดเลยจะรู้จักความถูกได้อย่างไร เพราะไม่รู้ถูกจึงต้องทาผิดเพราะเราไม่รู้จักจิตขวัญเราจึงกระเจิงสิ่งเหลนี้คือครูสอนเราทางนั้นต้องขอบคุณเขาแล้วเราพยายามแก้ไขให้ถูกต้องนี่คือการศึกษาชีวิตกายใจชีวิตเนี่ยเขาบอกเราว่าเขาไม่เที่ยงกายเลยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนๆนะ เดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็นอนเดี๋ยวก็ยืนเดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์มันเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยล่ะจิตก็เปลี่ยนแปลงจิตยิ่งวายมากเดี๋ยวรู้เดี๋ยวหลงเดี <c oughs> ๋ยวมันก็รู้ตัวอันนี้จิตเกิ ค, คือละเดี๋ยวมันก็หลงลืมตัวเองเมันเดี๋ยวรู้เดี๋ยวหลงเดี๋ยวมีสติเดี๋ยวขาดสติอันนี้คือความเปลี่ยนแปลงของจิตคือแสดงความไม่เที่ยง เราก็อยากให้มันรู้ตัวเสมอๆแต่ทําไมมันจึงหลงได้อเ น, นี้ยเราไม่อยากได้ความหลงอยากได้แต่ความรู้สึกตัวแต่ก็เป็นไม่ได้ที่เราคิดหรอกเพราะเขาแสดงความไม่เที่ยงแล้วก็บังคับบัญชาไม่ได้เมื่อมีเหตุปัจจัยให้รู้ตัวมันก็รู้เมื่อไม่มีเหตุปัจจัยให้รู้ตัวมันก็หลงทำเป็นเรื่องธรรมดากายจิตเนี่แสดงความไม่เที่ยง แสดงความที่อยู่นอกอํานาจบังคับบัญชาของเราเขาบอกเราเขาสอนเราเขาเป็นครูสอนเราว่าเขาไม่เที่ยงนะเขาบังคับบัญชาไม่ได้นะเขาบอกว่าอย่าไปยึดมั่นถือมั่นเขานะจงปล่อยวางเขานะถ้าปล่อยวางแล้วจะเป็นสุขถ้ายึดมั่นถือมั่นก็เป็นทุกข์เขาสอนเราเขาบอกเราเราเป็นศิษย์เนี่เราต้องเชื่ออย่างวันเนี้ย เป็นวันครูเนี่ยสิทธิที่ดีเนี่ยต้องเชื่อฟังครูครูสอนยังไงก็เชื่อฟังถ้าไม่เชื่อฟังครูเราก็ต้องเป็นทุกข์ตัว่าเป็นสิทธิที่ไม่กระตันอยู่ครูคือกายคือจิตเขาบอกว่าเขาไม่เที่ยงเขาเป็นทุกข์เขาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอย่าไปยึดมั่นถือมั่นเขาจงปล่อยวางซะถ้าไม่ปล่อยวางเขาจะทําให้เรานี้เป็นทุกข์ เราก็ต้องเชื่อนะพุที่เป็นสิทธิ์ถ้าเราไม่เชื่อเนี่ยเราก็ไม่กระตันอยู่กับครูบาอาจารย์คือก้อนของธรรมชาติธรรมชาติเนี่ยสอนดีที่สุดกว่าใครทั้งหมดธรรมชาติเนี่สอนที่ถูกต้องต้องเชื่อฟังสมบงที่ท่านอาจารย์พุทธทาสได้กล่าวไว้ว่าถ้าไม่เชื่อตามคำสอนก็อย่ามาอ้อนเรียกอาจารย์